นั้นกายกรรมที่ถ้ า, าเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนเบียดเบียนทั้งผู้อื่นนี่มีทุกเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากดังนี้ไซ้ถ้าตรึกพิจารณาอย่างนั้นแล้วเธอพึงเลิกกายกรรมเห็นป่านนั้นเสียให้เลิกเลกายกรรมอย่างนั้นอย่างให้ลุกลาเมืองถ้าในขณะที่กําลังทําทําทําไปเนี่ยนะตรึกระลึกได้ทันทีหยุดเลยนะีหยุดกายกรรมอย่างนั้นเลยกําลังจะฆ่าสัตว์ แต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราทำกรรมใดด้วยกายกายกรรมของเรานั้นย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างกายกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไ ร, ร ม, มีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซเธอพึงเพิ่มกายกรรมเห็นปั่นนั้นถ้ารู้ว่าเรายืนก็ดีเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีคูเหยียดก้มเงยกระพริบตาอ่ะปะนี่นะ รวมในการใช้กายทั้งหลายเนี่ยถ้าเป็นกุศลเพิ่มนะีให้ทํายิ่งยิ่งขึ้นไปเช่นใช้กายในการที่ไปเจริญกุศลในการเดินยงกรมเนี่ยเนะี่ยเดินไปเถอะถ้ากายกรรมเช่นนี้ดีไหมเป็นการกระทําดีกายกรรมแบบนี้ดีขยับขยื่อนเคลื่อนไหวในการที่จะประกอบการงานที่เป็นกุศลเนี่ยนะียเพิ่มไปด้วยกวาดวิหารลานพระเจดีเช็ดกวาดปัดถูอะไรต่างๆทํากิจ ท, ท, ท, ท, ท, ที่เป็นกุศลทั้งหลายทางกายเนี่เนะี่ยเพิ่มนะ เพอมปถ้าอย่างนี้ดีแต่ถ้าหากว่าตอนทำอยู่นั้นบาปมันเกิดไหนหะยุดหนึ่งให้เลิกเหมือนนอนเนี่ยนะถ้านอนแล้วให้นอนใหม่ทำกายกรรมใหม่เอ๊ะทำยังไงนอนใหม่ทำยังไ ง, นอ น, ง, ไงนอนแบบไม่ให้บาปเกิดนอนใหม่คำว่านอนใหม่ในที่นั้นคือนอนด้วยจิตประเภทใหม่นอนด้วยกุศลลจิตนะอย่าไปนอนด้วยอกุศลลจิตดูก่อนราหุลเมื่อเธอทำกรรมด้วยกายแล้ว เธอก็พึงพิจารณากายนั่นแหละว่าเราได้ทำแล้วซึ่งกรรมใดด้วยกายกายกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนตนและผู้อื่นบ้างกายกรรมอันนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกาไรมีทุกข์เป็นวิบากกังนอถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราได้ทำกรรมแล้วซึ่งกายกรรมกายกรรมของเรานี้เป็นไปเพื่อ เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นกายกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นวิบากเ อ, อมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากดังนี้ไซกายกรรมเห็นป่า น, นี้เธอพึงแสดงตรงนี้ตอนนี้ให้แสดงนีถ้าหากว่ากลุ่มของพระนี่นีแล้วก็แม้แต่คราวว่าที่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมเช่นมีจิตอ่อนโยนก็ดีพึงแสดงเปิดเผยทําให้ตื่นในพระศาสนาหรือในเพื่อนพรมจันทร์ทั้งหลาย วินยูชนพึงสํารวมต่อไปก็งั้นหนงก็แปลว่าให้แสดงและเปิดเผยทําให้ตื่นทํายังไงเอาแสดงเปิดเผยทําให้ตื่นบางคนทําบาปรกรรมด้วยกายเนี่ยนะกายไปทําบาปรกรรมทั้งหลายมีการต้องอาบัตทุกกฎเป็นต้นทางกายเนี่ยขนองมือขนองเท้าเป็นต้นเนี่ยพึงแสดงนะใช่ไหมพึงแสดงอย่างฉันอาหาร ในขณะที่ข้าวอยู่ในปากแล้วพูดเยไงอย่างนี้เป็นนาบัตดวงเงเป็นนาบัตยอมบางคนชอบถามพรนะเนี่ยก็กินอาหารพระก็กลัวกลัวมีจริงๆงเนีมีจริงนะบางคนเน่ยนีฉะนั้นถ้าหากว่าทำกรรมที่เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นแล้วเนะอย่างนั้นมีทุกเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากกายกรรมเห็นปานนั้นเธอพึงแสดงเปิดเผยแล้วก็ทําให้ตื้น การแสดงเปิดเผยและทำให้ตื่นก็คือว่าอย่างกรณีที่เราเป็นในลักษณะของเพื่อนพอมจาันเพื่อนที่ประพฤติดทด้วยกันอย่างนี้นะก็บอกเออเดี๋ยววันนี้นะแมมไปทำกรรมที่ไม่ดีทางกายแหมว่าไงนะทำให้ศีลเสียหายต้องสมาทานใหม่ทั้งหลายครั้งอะไรเงนะี้ยเนี่ยก็เปิดเผยทำให้ตื่นแล้วแสดงบอกซึ่งกันและกัน แสดงเพื่ออะไรบอกเพื่อต่อไปจะสํารวมระวังต่อไปสํารวมเพื่อไม่ให้บาปประธรรมเกิดทางกายต่อไปใช่ไหมเรามีเรามีกะยังยกตัวอย่างนะไอ้คําว่ากายกรรมที่เป็นบาปเนี่ยแม้วันนี้ถลึงตามองคนได้โทรศัท์ตั้งนานตั้งหลายคนนย่งเงี้ยเคยมองเอางี้นะสมัยเด็กๆเกนี่ยโอ๊ยทํากรรมแบบนี้เยอะจริงเพราะเราไม่คยไม่มีใครสอนเรานะ เช่นบทีหันไปใช้สายตาดุอ่ะใช้สายตาดูเดี๋ยวเฮอะว่า ง, งนะั่นนึกในใจอะ่ะนึกในใจงทีก็ชี้หน้าเลยแต่ไม่พูดหรอกชี้หน้าทํากรรมด้วยกายนะเนี่ยทํากรรมด้วยกายทางนั้นเลยประเภทที่โอ้โหพิษรอบกายเลยอะ่ะด้านไหนมาที่คนเดินเดินเดินผ่านนิดเดียวก็แค่นั้นเนอะมองปุ๊บเลยนะมองปุ๊บซ้ายขวาเลยเนี่ทํากรรมด้วยกายมาเยอะ นี่ไงก็เรียกบาปประทำแบบนี้นี่แหละที่มันลุกลามมาจนถึงการฆ่าสัตว์ทางกายได้ถ้าไม่มีแบบนี้ไม่มีหรอกใช่ไหมให้สังเกต ด, ดูเกิดการขยับขยืขย่นเคลื่อนไหวการอะไร ต, ต่างๆเนีเยอะแยะไปหมดนะในวิวัฒน์ที่เราจะใช้กายทําบาปเนี่ยไม่ใช่ในน้อยบาปประกา ร, รทั้งหลายที่เราเอาศัยกายเนี่ยนะที่ไม่ต้องพูดออกมาเลยนะอเอาแค่ทางกายอย่างเดียวเนี่ย สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นกายแทุจริตในที่สุดจริงๆก็จะเป็นปัจจัยแก่ก า, า, า, า, ารล่วงละเมิดสิขาบททั้งหลายใช่ไหมครับทำไมพระเขาจึงบอกว่าเที่ยโครจรทั้งหลายท่านไม่ให้ไปมองเห็นนี่อย่างเดียวนี้โครจรทั้งหลายคือสถานโรงเล่าบาังเป็นต้นเนี่ยนะหรือการคึกขนองทางกายเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้ไปเด็ดดอกไม้เล่นบั่งไปตัดต้นไม้ใบหญ้าอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยพระท่านถึง ทำไม่ได้เพราะอะไรท่านบอกกายกรรมนี้เดี๋ยวมันจะผิดพลาดเดี๋ยวจะกลายเป็นบาปประทำ <S <S <อ>เมือนี่เออพอพูดถึงตรงนี้หลายๆคนก็ว่าเอ้ยเป็นฆราวาสทําได้ยังไงโชติปาระหรือคติการะได้ฟังมาแล้วใช่ไหมคติการะคติการะเนี่ยเรื่องพ่อแม่ติตาบอดเนี่ยเป็นฆราวาสเป็นฆราวาสแต่ทําไมทํากรรมด้วยกายได้แล้วอยู่เป็นฆราวาสได้ และที่หนักกว่าก่อนนั้นคือเป็นผ้านาคาด้วยตอนนั้นที่บอกว่าชวนโชติปาราไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าองค์ก่อนโน้นนะโชติปาระน่ยชวนสามครั้งครั้งแรกก็ชวนโชติปาราก็บอกว่าประโยชน์อะไรก็เห็นสมณะศีสาโลน้นบอกไม่มีประโยชน์ไปทำไมบอกไปหาคนหัวล้นไม่มีประโยชน์ชวนอีกอไม่ไปชวนครั้งที่สามก็บอกไม่ไป ประโยชน์อะไรกับการเห็นสมณะศีรษะล้นก็เลยชวนใหม่คติการเาชวนใหม่ว่านั้นไปอาบน้ําไหมไป <c oughs> ชวนไปอาบน้ําแล้วไปเลยเหมือนหลายๆคนลงชวนๆไปฟังธรรมไม่ไปเออเดี๋ยวไปแต่งตัวกันที่ร้านเสริมสวยเราไปเราอเไปงไงบอกไปนวดกันหน่อยเฮ้ยตรงนั้นโอ้เราตื่นขึนวดดีจังก็ไปเลยง ไ, งไปเป็นอย่างเงี้นเดี๋ยวจะไปฟังธรรมบอกไม่ไปนี่ก็เลยไปอาบน้ํา พอไปที่ท่าน้ําแปลว่าใกล้แล้วใช่ไหมก็เลยบอกเพื่อนบอกเอ้อเนี่ยเพื่อนเนี่ยสำนักของพรธเจ้าอยู่ใกล้ๆนี่เอไปเฝ้าพระเจ้ากันเ้วยโอ้โเห็นประโยชน์อะไรกับการเห็นธรรมะที่สาโลุชวนใหม่อีกก็ประโยชน์อะไรใช่ไหมชวนไม่ชวนเปล่าแล้วชวนแล้วจับผ้าดึงเลยนะบอกไปดึงขึ้นจากน้ํมาไม่ไปพอครั้งที่สามชวนด้วยดึงด้วย บอกไว้ฟังทำอย่ากพระพุทธเจ้ากันเถอะนี่ไปเฝ้าจับมวยผมดึงเลยแกถามเลยบอกเอ๊ะคติการะครบกันมาเนี่ยเธอเนี่ยก็ชาติตระกูลต่ํากว่าเราเงี้ยเอาแล้วเอาเรื่องตระกูลมานัะนรล่อพราหมณ์มันนะตระกูลต่ํากว่าเราครบกันมาไม่เคยใช้มือจับศีรษะเราเนี่ครั้งนี้ไม่จับตรึกอย่างนั้นเนยนึกในใจนะว่าโอ้โหเนี่ยหรือพระพุทธเจ้านี่คงจะดีคิดอย่า ง, ง น, นั้นนะก็ไปอย่างนั้นและะ้วตามใจไปเนาะ ไปก็ไปไม่วายด้วยนะไปไปนั่งฟังพอพระพุทธเจ้าแสดงธรรมแสดงธรรมแค่นั้นตนเองเข้าใจพระธรรมเลยเข้าใจพระธรรม่าขอบวชเลยนะยโชติปาราฟังปุ๊บขอบวชเลยแล้วถามคติการาเลยว่าเออเธอมาฟังธรรมตลอดเวลาแล้วทําไมไม่คิดบวชบ้างหรอให้ไปถามท่านดีพระพุทธเจ้าก็บอกคติการานี่ต้องเลี้ยงดูพ่อและแม่ทิตาบอดใช่ไหม แล้วที่หน้าตรงนี้จะเล่าค่อนข้างบ่อยคือว่าพระเจ้าเมืองพราณาศีอ่ะพระเจ้าเมืองพราณสีนี่นะนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันแล้วก็ฟังธรรมพอฟังธรรมอราตนานิมนต์พระเจ้าให้อยู่จำภาษาหน้าที่ที่ตนเองอยู่คือถวายพระราชนิเวศให้อยู่จำํำภาษาหนึ่งภาษาพระพุทธเจ้าบอกว่ารับที่อื่นไว้แล้วรับคติการานิมนต์ไว้พระเจ้า แผ่นดินถามว่าคติการาเนี่ยดียังไงใช่ไหมเทียบกันกับข้าพระองค์แล้วกับคติการาเนี่ยเทียบกันได้ไหมพระพุทธเจ้าบอกเทียบไม่ได้คติกาลากับกับกับพระองค์หนึ่งก็ตั้พระเจ้าจึงดินเทียบไม่ได้ก็เลยเล่าให้ฟังพระพุทธเจา้าอ่ะเป็นยอมอุปถากแตถาคตเห็น ไ, ไหมคติการาเนี่ยเป็นยอมอุปถากของแตถาคตมีอยู่ข้างห น, นึ่นงนะว่าเงินเ่าติดให้กับพระเจ้า กรุงพระนศีฟังเลยบอกมีอยู่ครั้งหนึ่งนะสถาคตสเสด็จบินทบาทเออไปบินทบาทคนะติการะไม่อยู่อยู่เดี๋ยพ่อแม่ตาบอดใช่ไหมทีนี้พ่อแม่ที่ตาบอดเนี่ยบอกว่าแปลว่าไม่อยู่ก็บกเห็นนี่นี่พระพุทธเจ้ามาก็บอกว่าก็บอกว่าคติการะไม่อยู่พระพุทธเจ้าไม่ว่าอะไรพุทธเจ้าเดินก็ไปในครัวเนะเปิดหม้อข้าวตักเอาข้าวตักเอาข้าวในหมอ้อ แล้วก็เอาอาหารแล้วก็กลับคติการะมาใช่ไหมก็ถามถามว่าใครโคดเอาใครเอาข้าวในหมอ้อพระพุทธเจ้าพอฟังแค่นั้นนะคติการะอุย้ยปีติเกิดเดี๋ยวนั้นนะขุททกาปีติเป็นต้นพระศาสดาคุ้นเคยกับเราปีติเกิด15วันส่วนคติการะเออส่วนพ่อและแม่นั้นเกิดเจเห็นไหม นี่คือความคุ้นเคยของพระศ า, าสดากับคติการะครั้งที่สองครั้งที่สองมาเกี่ยวในเรื่องการเป็นถั่วเป็นลักษณะเป็นถั่วตมมาอีกคติการะไม่อยู่พระเจ้าก็ไปเอาใส่บาตรเองแล้วก็กลับทีนี้เดี๋ยวก็รายละเอียดเดี๋ยวๆไว้ทีหลังปุ๊บ ต, ตอนนี้คติการะกลับมาอีกนะถามว่าเออใครเอาอาหาร บอกพระพุทธเจ้าโอ้โหปีติเกิดอีก15วันมารดาเกิดเจวันมารดาบิดาเนี่ยตึกพิจารณาโอ้โหทำไมท่านพิจารณาและปีติจึงเกิดทาไมท่านอนุสสน์ระดับพระบรมศาสดาที่จะทำความคุ้นเคยกับใครขนาดนี้มีไหมเนี่ยมีหรือไม่เนี่ยประการต่อมาครั้งที่สครั้งที่สมเนี่ยนยพระพุทธเจ้าที่กุดีของพพุทธเจ้าลมพัด ลังคาหายเกลี้ยงเลยพระพุทธเจ้าบอกให้ไปเอาญ้าที่บ้านของคติการะให้ภิกษุสงฆ์ไปเอานะภิกษุสงฆ์ไปเลยก็เห็นญ้าที่มุงลังคาอยู่เท่านั้นเองก็ไปเอาเลื้ อ, อหมดเลยเลือเอาลังคาบ้านเนี่ยพ่อแม่ก็อยู่คติการ่าไม่อยู่เลือเบ็เสร็จเอาไปมุงกุฏิของพระผู้มีพระภาคเจ้าคติการ่ากลับมาปีติเกิดอีกสิบห้าวัน ขุตกาปีติคันานาปีติอุเพงคาปีติแม่และพ่อเจ็ดวันลองมาคิดดูอย่างเราเรานี่นะกลับมาแล้วหลังคาเปิดหมดเนี่ยบอกว่าพราลือไปซะแล้วเนี่ยแต่ถ้าคุย่อมกันเดียจะคิดยังไงบอกคนพ้าวัดไหนวะ <c oughs> ปิติเกิดทีนี้อันนี้สงตามมาอย่างไรรู้ไหมตั้งแต่นั้นมานะคติกาละอยู่ที่บ้านนั้นไม่ต้องมุงเลย ขนาดนั้นนงฉะนั้นที่พระพุทธเจ้านั่นน่ยคื อ, ค, อคือท่านอนุเคราะห์อพอเล่าพุทธเจ้าเล่าอย่างนี้ให้ฟังนีรพระเจ้าพระนารสีบอกโอ้โหคติการะนี่วางจิตขนาดนั้นนงไหมยกขนข้าวขนอะไรไปให้แต่คติการะไม่เอาเอาพอพออยู่ถึวันเอาอยู่นิดหน่อยแล้วนั้นถวายกลับมาถามว่าเป็นนายปั้นในในายปั้นเอ๋ ข้างหม้อปั้นหม้อขายแล้วทํำยังไงเอาไม่ไม่ขุดดินหากินแบบไม่ขุดดินนะไปหาดินที่มันพังตามตะลิ่งหรือดินที่หมูขุดบ้างหรือใครขุดเขาไว้บ้างที่ไม่ได้ขุดเองเพราะจะทาตัวสัตว์ให้ตายใช่ไหมแล้วก็เอามาปั้นเป็นดินเผาเป็นหม้อเป็นอะไรต่างๆเป็นภาชนะแล้วไปวางเขาไว้เขียนเขาไว้ถ้าใครปราถนาก็เอาข้าวเอาถั่วเอาอะไรต่างๆเป็นต้นมาแรก ขาดอะไรก็เอาเฉพาะสิ่งนะั้นแล้วเอาสิ่งนั้นมาเลี้ยงพ่อดูแลพ่อแล้วเนี่ยนี่ไงที่ไม่บวชเพราะเหตุนี้ที่คุณโยมวันงรรานถามว่าเออโยมโยมเป็นถามว่าถามว่าเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าใช่ไหมเรื่องสิกาคำว่าพระศ า, ษ า, ษาสดานี่เป็นผู้บัญญัติธรรมวินัยฉะนั้นการที่พระองค์ทํานั้นเป็นเรื่องปกติเหมือนอะไรรู้ไหมพระราชามีราชอุทยานใช่ไหมห้ามใช่ไหมบุคคลไปเอาของในนั้น แต่ห้ามตนเองด้วยไหมไม่ได้ห้ามตนเองนะเจนนั้นศิกขาบทวินัยนั้นนะี่ยต้องรู้ที่จริงพระพุทธเจ้าบริบูรณ์ยิ่งกว่านั้นแต่แต่จริงๆพระองค์ทําในสิกขาบททั้งหมดนะแต่เพียงว่าตรงนั้นนะ่ะคืออนุเคราะห์แต่ถามจะมีโทษอะไรเกิดขึ้นระดับพระพุทธเจ้า ม, มีเลยไม่มีหรอกต้องให้รู้ตรงนีแงนนะ้แต่ถ้าพิจารณาอยู่ว่าตรงเนี้นะแต่ถ้าพิจารณาอยู่ว่ากายกรรม กรรมใดด้วยกายกายกรรมของเรานี um er ้ย er ่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนตนและไม่เบียดเบียนผู้อื่นกายกรรมอันนี้เป็นอกุศลเออเป็นกุศลนะถ้าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะกายกรรมเนี่ยนะไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นกายกรรมนี้เป็นอะไรเป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไซเธอพึงมีปีติมีปาโมด ศึกษาในกุศลธรรมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอยู่ด้วยกายกรรม น, นั้นเห็นไหมว่าถ้ากายกรรมใดๆที่ทําออกไปแล้วไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นให้มีปีติเกิดขึ้นจากการกระ ท, ทําทางกายกรรมนันเนะต้องตรึกพิจารณาดูทีว่าไหมวันนีเรร้เราไม่ได้ทําอกุศลกรรมทางกายเราไม่ได้ฆ่าสัตว์เราไม่ได้ลักทรัพย์ใครเราไม่ได้ประพฤติผิดในกรรม เราไม่ได้ใช้กายนี้ในการเลี้ยวในการแลในการดูในการชี้หน้าในการอะไรต่างๆเป็นต้นในการที่จะทําให้อกุศลกรรมเกิดขึ้นจากการเคลื่อนไหวกายเลยเนี่ยปีติจะเกิดไหมปีติเกิดปลาโมดเกิดความสุขก็จะเกิดที่สุดจริงๆจะเป็นปัจจัยเกิดสมาธินะสมาธิจะเกิดได้ด้วยการตรึกกายกรรมเช่นนี้ให้สังเกต ด, ดูนะตอนที่นางประชาบดีโคตมีเนี่ย ที่เย็บจีวรถวายพระพุทธเจ้าท่า น, นางทําตลอดทั้งเป็นปีนะทําอย่างละเอียดประณีตเลยใช่ไหม <c oughs> จิตที่ทําเนี่ยเป็นกายกรรมทําด้วยด้วยกุศลและจิตเลยตรือตรือทําหรือกลุ่มที่คนทําอาหารเนี่ยให้สังเกตอย่างนีาา้เขาทาอาหารเน่ยไหมเขาทาประนีตทาอะไรต่างจะทําให้สามีทําให้ใครก็แล้วแต่คนที่ตนเองเคารพเธอสูงสุดจริงๆคือทําถวายพระพุทธเจ้า ในกรณีที่ท่านเหล่านั้นทําที่วางจิตดีเป็นกายกรรมนี่เป็นกายกรรมที่ที่ไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นนี่ไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นอย่างนี้มีสุขเป็นกําไรนะกายกรรมแบบนี้แม้แต่เล็กๆน้อยๆที่ทำไปนี่มีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากนะตรึกพิจารณาให้รอบแล้วปีติจะเกิดแล้วปราโมทจะเกิดและความสุขจะเกิดที่สุดจริงๆเวลาน้อมในการเจริญสมาธิเป็นต้นหนุ่ยสมาธิก็เกิดเร็ว ไม่พงเลยโอ้ยกายกรรมไหมแปลว่าได้กายกรรมอันนี้มาเราก็ไม่ได้ทําบาปไม่เกิดขึ้นนี่มันน่าสุขใจนะมีกายกรรมแล้วเป็นปัจจัยเกิดกุศลเป็นส่วนมากอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้ามีกายกรรมแล้วโอ้ยวันนี้ขยับขยื่นเคลื่อนไหวก็บาปทั้งนั้นเลยลองคิดดูเราจะทุกข์ใจสักปันใดใช่ไหมเออเราจะทุกข์ใจสักปันใดว่าเงี้นเออมีกายก็เอากายไปทําบาปเออมีกายยังใช้กายไม่ถูกอีกแนวะพิจารณานนะ มีกายน่าจะเดินในการที่จะเจริญกุศลก็เดินทําบาปในการขยับขยื่นเคลื่อนไหวเหลียวซ้ายแลขวาในการที่จะเจริญกุศลเก็เหลียวซ้ายแลขวาเพื่าจะทําบาปวาเวลาไปนั่งนิ่งๆ น, งเนะเอากายไปนั่งนิ่งๆก็หวังจะให้กุศลเดินกับไม่เดินเอากายไปทําบาปอีกแล้วลองคิดดูทีเอ้ยเราทําไมมีกายไว้ถามว่าเราแค้นเราโกรธเราชิงชังกายนี้นักหรือเนี่ยเราจึงทํากายนี้ให้เป็นบาป แค้นเขาหรื่อไงอย่าไปแค้นเครืองก็เลยว่าเงินน่งใช่ไหมบางคนบางคนไม่มีอะไรมากนั่งกระพริบตาให้บาปเกิดกระพริบกระพริบเลยแต่กระพริบแบบเป็นบาปนะถ้ามีจริงๆรนะเคยไหมใช้กายเราเนี่ยเอาไปไปทําให้มันเป็นบาปทําได้ไหมบางคนเอาบางคนแต่งทรงผมให้เป็นบาปยังได้เลยใช่ไหม เบียดเบียนตนเองก็พอว่ายัางเบียดเบียนความรู้สึกของคนอื่นคนอื่ น, น, อนมองนี่อุ่นก็บางอะไรนะสําสหรับในอดีตเค ย, ยดูก่อนราหุลเธอปรารถนาจะทํากรรมใดด้วยวาจาใ น, นตอนนี้เนียพึงพิจารณาวจีกรรมนั้นเสียก่อนให้พิจารณาเขาเรียกนิสซัมมกากระนังเซยโยใข้ ค, รครวญก่อนแล้วจึงค่อยพูดในข้อนี้เนี่ยใข้ครวญก่อนแล้วจึงค่อยทํากรรมทางวาจา เราปรารถนาจะทํากรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรําไรมีทุกเป็นวิบากกรรมังหนอตรึกก่อนนะเวลาจะพูดให้ตรึกก่อนเอ๊ะเนี่ยที่เราจะพูดเนี่ยเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นไหม เป็นวาจีทุจริตไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเพื่อเจือหรือไม่เนี่ยดูก่อนเลยตร ก, ก่อนเวลาจะพูดเ น, นี่ยตรก่กนตึกจนชํานาญเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็จะเริ่มชํานาญในการพูดพูดที่เป็นกุศลน่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยวาจาวาจีกรรมของเรานี้พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตน และผู้อื่นวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากแล้วไซ้วจีกรรมเห็นปานนี้เธอไม่ควรทําโดยส่วนเดียวตรงนี้ละเลยให้เตล ก, ก่อนนะบอกเออที่เราจะพูดเนี่ยคําำนี้ที่เราจะไปด่าเขาคำคำนี้ที่เราจะไปส่อเสียดพูดให้เขาแตกค้าวกันให้เขาเลิกสามะคีกานคำคำนี้ที่เราจะไปพูดคําหยาบ คำคำนี้ที่เราจะไปพูดเพ้อเจอไม่เป็นอัดไม่เป็นธรรมไม่ได้คุยพระธรรมคำสอนเลยว่าเงี้นเถอะตรึกแล้วแบบนี้ว่าเอออันนี้เป็นบาปนี่อย่างนี้หยุดดีกว่าอย่างนี้ยกเลิกดีกว่าว่างี้ยนะไอ้ที่คิดเข้าไว้นี่ยกเลิกดีกว่าอย่าทําเลยว่านื้อวัจีกรรมเช่นนี้อย่าทําเลยว่าเงี้ยเอ๊ะถ้าเราทําอย่างนี้แล้วจะทําให้บุคลิกเราเปลี่ยนแปลงไหมภาษาใหม่เขาเรียกบุคลิกต้องพระตามเขา嘛 จะทาให้เปลี่ยนไหมพยายามจะแย้งนีพยายามจะแย้งว่าพระพุทธเจ้าพูดไม่จริงที่เราเข้าใจนะจริงฉันทลักษณะถ้าตรึกพิจารณาดูแล้วอย่างนี้ว่าเป็นวจีกรรมที่เป็นโทษนะอย่างนี้ก็ต้องเลิกโดยส่วนเดียวแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่ตอนนั้นนะพิจารณาอยู่วจีกรรมนี่นะพิจารณาอยู่ตอนนั้นเราก็รู้ใช่ไหมจิตอะไรนาะที่ทาให้พูด โลภะก็เป็นเหตุให้พูดได้โทสะก็เป็นเหตุให้พูดได้โมหะก็ขับเคลื่อนให้พูดได้มหากุศลก็เป็นเหตุให้พูดได้ถามว่าแล้วที่ผ่านมาพูดอะไรเป็นส่วนมาใช้จิตดวงไหนพูดแบบงขับเคลื่อนให้พูดเอ๊ะเ อ, เอบางคนเป็นอย่างนี้นะเออให้สังเกตอยู่นะถ้ากโกรธพูดคล่องถ้ากโกรธนี่คิดอะไรคล่องหมดเลว แล้วแร่นเร็วปุ๊บปุ๊บปุ๊ บ, บเลยพูดได้ทันคนได้ชา้าชานบางคนบอก อ, อ้ยท่านบุนนี้ฉลาดจริงๆพูดเจ้าหูหน้าฟังมากก็แต่เวลากุศลเกิดแล้วดูมันยังไงไม่ทันคนอื่นเขาก็ว่ากงั้นสู้ให้โทสะเกิดดีกว่ามันถึงจะทันคนเขเวลาจะไปใ ห, ให้ขึ้นบอกท่านทั้งหลายตอนนี้กุศลข้าพเจ้าเกิดอยู่ข้าพเจ้าพูดไม่ออกเดี๋ยวรอรอให้อกุศลเกิดถ้าอย่างนี้ลองคิดดูใช่ไหม โอ้โห oh, ไปทำาบบแล้วแล้วจนชินแล้วไงทำจนเป็นชินเป็นอุปนิสัยเป็นอัธยาศัยแล้วแต่ว่าถ้าจะพูดเร็วพูดเสียงดังแปลว่าต้องกดตรงนี้เป็นเรื่องหน้าคิดนะแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่นะพึงรู้อย่างนี้ว่าเราปรารถนาจะทากรรมใดด้วยวาจาวาจีกรรมของเรานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นและเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่น บ้างวาจีกรรมนี้เป็นกุศลถ้าเกิดจากมหากุศลเป็นตัวขับเคลื่อนให้พูดนะี่นี่วจีกรรมอนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากแล้วไซวจีกรรมเห็นป่านี้เพอเธอควรทำไอตรงนี้ควรทนะําในทวจีกรรมที่เป็นกุศลเออถ้าตรึกก่อนนะอย่างเงี้ยเอออย่างนี้เราควรจะพูดอย่างนี้เนี่ควรจะพูดโดยจิตที่มีศรัทธาในพระพุทธเจา้าเป็นต้นเนี่ยนะ มีศรัทธาในคุณความดีต้องการความซื่อตรงซื่อสัตว์อะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเราก็พูดไปหรือบางทีเราก็พูดอะให้คนสามมาขีกันปราถนาให้คนสมัครสมานกันรักใคร่กันกลมกลืนกันเนี่ยเยก็เราก็พูดหรือพูดในลักษณะไม่พูดคำหยาบเอยคำหยาบอย่าพูดเลยเป็นบาปหนักแนะ่หนึ่ ง, งแล้วก็ไม่พูดเพอ้อเจอ ไอคำที่จะพูดออกไปนี้เป็นคำเพื่อเจอไรสาระไม่รู้จักการหรือเปล่าใช่ไหมฮบางทีโอ้บางคนพูดไม่รู้จักการพูดหมดนะเวลาไหนก็พูดคอยคิดได้กลัวมันจะลืมไน่อยได้พูดด้วยก่อนพูดไปแล้วจบไปแล้วอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะบางคนอุ้ยขอให้ได้พูดนะะขอให้ได้พูดพอพูดพูดแล้วชื่นใจแต่ถ้าไม่พูดดึ่งอึดอัดบางคนอุ้ยดูก่อนราหุน แม้เมื่อเธอกําลังทํากรรมด้วยวาจาตอนนี้หมายถึงขณะทำนะแม้เธอกําลังทํากรรมด้วยวาจาเธอก็พิจารณาวาจีกรรมนั้นแหละว่าเราทําอยู่ซึ่งกรรมใดด้ ว, วาจาวาจีกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างและเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างวาจีกรรมนี้เป็นอกุศล มีทุกเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากรรมังเนอถ้าทําอยู่ในตรึกเดียวนั้นแหละเอ๊อันนี้เป็นอกุศลนี่ที่เรากําลังพูดอยู่เนี่ยบางทีกําลังเที่ยงอยู่เลยใช่ไหมเถียงหน้าดําตาแดงอยู่นี่แหละเถียงเทียงเทีย ง, ย ง, ยงให้หยุดเลยนะถ้าตรึกเดียวนั้นหยุดเลยหรือกําลังที่จะพูดอย่างนั้นจะเป็นเอ๊พูดเท็จหรือเปล่าพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อพูดให้คนแตกสามาคีกันหรือเปล่าให้หยุดเลยเดี๋ยวนั้นนะะ่ะ หยุดทําไมบอกเอามันเป็นบาปเนี่ยถ้าเธอพิจารณาอยู่แต่เนี้เออตรึกใหม่พิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราทําอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียน coconut, ผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกรราําไรมีทุกเป็ น, น ว, วิบากดังนี้ไซเธอพึงเลิกวจีกรรมเห็นปานนั้นเสียให้เลิกเลยบอกว่ม่เอาแล้วถ้าคืนพูดต่อบาปอีกเยอะเลย บาปเป็นกระบุงเลยเนี่ยว่าไงหนึ่งถ้าเกิดพูดต่ออย่างเนี้ยบอกบาปเยอะเลยคือไอ้อย่างยกตัวอย่างยันนั่งนินทางใครสักคนหันมาโปกกระแม่คนคนนั่นเป็นอย่างนั้น น, น, นะนะบอกว่าอทีนี้ไอ้จะพูดตรงทั้งหมดก็รู้สึกไม่มีรสชาติเนี่ยเริ่มเติมเสริมเลยเนียมันประโยคเสริมเยอะๆไงประโยคเสริมเยอะๆเจนนิดที่ปรุงแต่งแล้โอ้โหคนฟังเห็นเป็น เห็ชัดเจนถ้าหากทากรรมด้วยการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและเบียดเบียนทั้งผู้อื่นนี่มีทุกเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากทางวาจานี่นะีวจีกรรมคําพูดนั้นเป็นอกุศลมีทุกเป็นกําไรมีทุกขเป็นวิบากเนี่ยเธอพึงเลิกวจีกรรมเห็นปันนั้นก็ให้เลิกนะก็ให้พิจารณาดูว่าปกติเราจะพูดทุกวันอยู่แล้วใช่ไหม ก็ให้ตรึกลงไปว่าเออไอ้วาจีกรรมที่เราพูดกําลังจะพูดจะพูดเนี่ยนะเป็นบาปหรือเป็นอกุศลแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราทําอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยวาจาวิจีกรรมของเรานี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นดังนี้ใจนะวิจีกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกรรําไรมีสุขเป็นวิบาก เธอเพึงเพิ่มวจีกรรมหินปานนั้นเอาอย่างสายทยายนีย่เพิ่มม า, มาสวดมนต์เนี่ยนะวจีกรรมนี้เป็นกุศลนี่สาธยายคุณของพระพุทธเจ้าวจีกรรมนี้เป็นกุศลนี่การท่องใช่ไหมการจําเรื่องพระธรรมคําสอนเนี่ยออวันนี้จะเอาอริยมรรคมองแปดมาสาธยายว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตาสัมมาอาชีวาสัมมาวายามะ สัมมาสติสัมมาส ม, มาธิอย่างนี้เป็นตนน้นใช่ไหมโอ้อย่างนี้ว่าจีกรรมนี่เป็นกุศลนี่เพิ่มไหมควรที่จะเพิ่มแต่ถ้าร้องเพลงไงวัจีกรรมนี่เป็นอะไรวัจีกรรมนี่เป็นกุศลเรื่องกุศลไม่น่กุศลก็จริงๆนะการร้องเพลงเนี่ยก็ดูไปแล้วกันแล้วเป็นเป็นได้แค่ไหนก็ดูมาพูดมีจริงๆที่เป็นนั่นเ แต่ไม่ใช่ประเภทที่แหมมันสํานวนเดี๋ยวนี้ฟังแล้วยังไงก็ไม่รู้วันก่อนก็มามาให้ฟังให้ลองฟังดูโ อ, โอ้โหนี่นี่นี่บางทีเด็กๆก็ฟังเอาเปิดเปิดกันบางทีกท็ามาในงานก็เปิดกัน ด, งดงังๆนะวอโอ้โบางทีต้องทนฟังเป็นวันๆนะก็เปิดก็กลัวพระจะเหงาก็เปิดบางทีนะรอบๆนู้นนะเขตบางทีก็เปิดก็ดกดกกดใช้เครื่องเสียงดังๆกันเลยนะ สเสอเถียรเถีร น, นก็มาตุงตึงต้งๆเลยเออเดี๋ยวนี้ก็ฟังกันได้อย่างนั้นนะแล้วบอกเออคำคาพูดที่ออกมานั้นเนะี่ยไม่เห็นพูดเรื่องบุญกันเลยแต่ก็วันก่อนนั่งรถนั่งนั่งนั่งนั่งรถไปก็ไปดูดูเพลงที่เาเน้นบอโอ้เพลงก็มีแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยนะนะก็เคยฟัง สมัยก่อนเคยฟังโอาเราชอบได้ยังไงในแต่ก่อนแต่ในแต่ก่อนชอบได้เลยนคิดเลยเดี๋ยวนี้ไม่เดี๋ยวนี้นคิดมันคิดเลยอ่ะเดี๋ยวเนี้สงสัยเลยตอนแรกแก่เลยบอก <c oughs> ยังฟังเพราะอยู่ไหมก็ยังยังชอบวัจีกรรมอย่างนั้นอยู่วัจีกรรมเป็นอกุศลก็ก็เลือถ้าหากเป็นกุศลก็เพิ่มแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่า เราทำอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยวาจาวจาจีกรรมของเรานี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียเดเบียนตนเบียดเบียนผู้อืน่นเพือ่อจะย่อมเป็นไปเพื่อเบียเดเบียนตนเบียดเบียนผู้อืน่นและเพื่อเบียเดเบียนทั้งตนแ ล, และผู้อื่นอันนี้เป็นอกุศลนะแต่ถ้าไม่เบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นอันนี้เป็นกุศลมีสุข donné, เป็นกําไรมีสุขเป็นนิบาดดังนี้ซใจเธอพึงเพิ่มวจีกรรมเห็นปานนั้นดูก่อนราหุลแต่ถ้าเธอพิจารณา ด้วยว่าทำกรรมด้วยวาจาแล้วเธอพึงพิจารณากรรมอย่างนี้นั่นแหละว่าเราได้ทําแล้วซึ่งกรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นวจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากกำมังหนอถ้าพิจารณาอยู่ก็พึงรู้ว่าเราได้ทํากรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตน เบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นว่าจีกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกเป็นกรรําไรมีทุกเป็นวิบากว่าจีกรรมเห็นเป็นอเธอพึงพึงแสดงเออถ้าทํากรรมด้วยวาจาเนี่ยให้แสดงนะีพระเนี่ยก็ให้แสดงให้เปิดเผยให้ทําให้ตื้นเช่นมีวาจายกตัวอย่างนะพระเราเนี่ยโดยมากต้องระวังค่อนข้างสูงวาจาที่ไปกล่าวเป็นกูลธูสกานี่เนะี่ย ใช้คําพูดประทุสร้ายตะกูลเคยไหมประจบคาวาะเขาเพื่อลาบสกาละเพื่อเสียงสรรเสริญเยิอนยอเพื่อให้ได้มาซึ่งวัตถุสิ่งของนั้นนะที่เขาไม่ใช่ญาติไม่ใช่ปวารณา <c oughs> แต่เขาเป็นญาติหรือเขาปวารณาเข้าไว้อันนั้นก็ก็ต้องรู้จักการที่จะพึงกระทําอุภานี่เขาห้ามไว้เสร็จเลยนะ เขาเนี่ยเนั้นคือพระเจ้ากํากับไว้ไม่ให้เราทําบาปทางวาจางไม่ให้ทําบาปทางวาจาเพราะจริงๆไงโอ้โหถ้าอย่างนั้นใช่ไหมอาศัยจากที่ยอมก็ศรัทธาเนี่ยโอ้โหใช่ไหมทำเสียหายเยอะตรงนี้ต่างหากก็เรียกกระจบถ้าเป็นถ้าเป็นคาวาส <c oughs> ถ้าเป็นคารวาสเนี่ยถ้าหากไม่ควบคุมให้ดีนะวาจาที่เป็นทุจริตเนี่ยอย่าลืมนะพูดให้คนตายก็ได้เนี ใช้คำพูดเนี่ยให้สังเกตดูทดี่วรัฐที่บางรัฐที่เนี่ยนะทําไมสามารถพูดให้คนไปตายได้เอาสิไปตายแบบไปฆ่าคนก็ได้ไปฆ่าคนก็ได้ไปเบียดเบียนคนก็ได้ไปกี้ไปป้นช่อลาดบางหลวงใครทําได้ทั้งหมดเพียงใช้คําพูดเนี่ยฉะนั้นวจีกรรมที่เป็นทุจริตเนี่ยถ้าสมัยโบราณที่เราเรียนกันมาเรียนเรื่องอะไพรภัาายมณีใช่ไหมนางอะไร ที่ใช้วาจาในการที่ไปให้ไปพูดจนอีกคนนึ่งอกแตกตายอะไนี้ลักษณะเช่นเนี้ mm hmm. เขาเรียกว่าจีกรรมหรืออย่างท่านในตำราของจีนกับกลุ่มของเบ้งไงนะใช้คํำพูดฆ่าคนมาไม่รู้เท่าไหร่เนวิธีกรรมเหล่านี้นี่แหละเป็นวิธีกรรมที่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นพูดให้คนเกิดโทสะโทสะเกิดมากๆในที่สุดจริงๆก็คือเลือด ก, กระอาเจเลือดแล้วก็ในสุดก็ตายานี่เป็นต้น แล้วเขาถือว่าแน่เลยนะคนที่มีวาจาเชื่อเชื่อเนี่ยถือว่าแน่เลยก็ <g oda> ถ้าศึกษาพระธรรมก็จะกลายเป็นสาธยายพระธรรมรอบรู้แล้วพูดพระธรรมปะการมีปากนี่ต้องบริหารให้ดีเหมือนกันน ะ, นะน่ากลัวเหมือนกันนะเนีะยแคนี้แค่นี้ไม่น่าจะมีโทษเลยเนี่ยแค่นี้ไม่น่าจะมีโทษเลยทางกายสามขว้างกั น, นทางวาจามีสี่ แค่จริงๆไม่ใช่แก่สี่นะจากการพูดมีหลารายละเอียดการพูดค่อนข้างเยอะใช่ไหมว่าจีกรรมเห็นปานนั้นเนี่ยให้เปิดเผยให้แสดงทําให้ตื่นในพระศาสนาหรือในเพื่อนพรหมาจารย์ทั้งหลายผู้วินยูชนคั้นพึงขั้นทําแล้วพึงสํารวมเปิดเผยแล้วก็ให้สํารวมระวังต่อไปบอกว่ามันเหมือนอยังไงที่พระท่านบอกว่าท่านบอกว่าพระในเวลาท่านแสดงเปิดเผยกันบอกว่าข้าพเจ้าจากสํารวมต่อไปเห็นไหม ในคําที่แสดงเ่ยบอกข้าพเจ้าจักสํารวมต่อไปอเดี๋ยวไปพูดเป็นบาปอีกแล้วมาแสดงใหม่อีกแล้วแสดงใหม่อีกแล้วแต่ถ้าพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราได้ทํากรรมใดด้วยวาจาวจีกรรมของเรานี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นวจีกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็น วิบากดังนี้ไซเธอพึงมีปีติปราโมทศึกษาในกุศลธรรมทั้งกลางวันทั้งกลางคืนอยู่ด้วยวจีกรรมเหลนะ่านั้นนั่นแหละบอกว่าจีกรรมไหนที่เป็นกุศลมีสุขเป็นกรรําไรมีสุขเป็นวิบากวจีกรรมอันนี้นี่นะเธอพึงมีปีติปราโมทเกิดขึ้นในวจีกรรมในคําพูดเช่นนั้นอย่างยกตัวอย่างนะในกลุ่มของบุคคลที่เจริญกุศลดีเนี่ยนะเขาใช้คําพูดเนี่ย ในการสาธยายพระธรรมในการพูดในการปลาัยซึ่งกันและกันตลอดเวลาใช่ไหมแล้วคําที่จะพูดออกมาแต่ละคํานั้นเขาตรึกเขาพิจารณาว่าเป็นวจีกรรมที่เป็นกุศลเป็นอย่างดีแล้วนะคิดทุกคําช่ไหมเขาตามระลึกถึงคําที่พูดแม่นานได้ให้สังเกตดูนะว่าสติที่ตามระลึกถึงสิ่งที่ทํานั้นคือกายกรกรมคําที่พูดแม่นานได้ไม่วจีกรรมที่ผ่านมาเนี่ยให้ตึกหลายๆรอบ อายยกตัวอย่างเช่นตอนนี้เวลาสิบโมงแล้วใช่ไหมตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตีสี่หรือตีห้าเป็นต้นมาเนี่ยโอ้ยวจีกรรมอะไรเนอ้อที่เราพูดแล้วตรึกแล้วปีติเกิดเนี่ยอันนั้นแหละวจีกรรมเป็นกุศลลองคิดตัวเออสวดมวนต์ไหว้พระใช่ไหมคำนั้นเราสวดมวนต์ไหว้พระนี่เราใช้ปากใช้วจีกรรมของเราเนี่ยไปสาธยายพระธรรมโอ้ตรึกไปกับปีติเกิด อ้าวพอหลังจากนั้นแมด่าลูกซะหลายรอบเลยโอ้ยตรงนี้เสียเลยนะเนี่ยไอ้ตรงนี้เสียแล้วบอกแม่ก่อนจะมานี่จัดการเรื่องอื่นนั้นเรียบร้อยหมดแล้วมาเครียดเลยเมองั้นใช้วจีกรรมแล้วเราทำบาปมาแล้วอย่างนี้ปีตีไม่เกิดคิดไปเรื่องนานๆก็มีละมั้งเลยเป็นเหตุนในคนหลายๆคนบอกอยากจะลืมอดีตใช่ไหมแต่ถามมาจริงๆและลืมได้ไหมลืมไม่ได้หรอใช่ไหมที่เคยพูดไว้อ่ะ ลืมไม่ได้แลและที่เคยทำไว้ลืมไม่ได้เมื่ อ, อไรเนาะมันจะผุดเข้ามาแค่นั้นเองลองคิดดูถ้าจะตายในบราณาสรานการณ์นั้นไอ้ภาพที่ปรากฏคือเรากาลังไปยืนเถียงใครอยู่ไอ้ภาพนั้นเนี่ยภาพที่เรากาลังไปเถียงหน้าดำตาแดงแล้วมาปรากฏในบราณาสรานการณ์ถามว่าแล้วเราควรจะเป็นอะไรแคตอนนั้นลองไปถามตัวเองนนะถาม ฉะนั้นในตรึกพิจารณาดูแลเราจะรู้ว่าเอให้เรียบสั่งสมวจีกรรมศึกษาวจีกรรมที่เป็นกุศลนี่นะและก็ให้อยู่ในวจีกรรมเหล่านั้นเถอะให้อยู่ในวจีกรรมที่ไม่พูดเท็จไม่พูดซอเสียดไม่พูดคำหยาบแล้วก็ไม่พูดเพ้อเจ้อเนี่ยให้ศึกษาให้ปฏิบัติให้ตรึกให้พิจารณาอยู่อย่างนี้แล้วปีติปลาโมทจะได้เกิด นึกถึงสิ่งที่พูดสิ่งที่ทําคําที่พูดจะได้ปีติเขาเมื่อจะได้ปลาโมอดเกิดบ้าถ้าอย่างนั้นแมนนึกไงก็ไม่ได้ว่าวันนี้เครียดจังว่างั้นเลยถามทําไมบอกหือกว่าจะผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เขาบอกนะเถียงก็เข้ามาจนว่างั้นเถียงแล้วยังไม่ยอมแพ้อีกนะกวางงั้นในใจต่างคนต่างก็ไม่แพ้กันตอนนี้ก็ไปแล้วเดี๋ยวมียกสองยกสามต่ อ, อยไป อย่างนี้ประเภทที่ว่าพูดแบบไม่มีกรรมการให้คะแนนเนี่ยให้เองเนี่ยให้ศึกษาวจีกรรมแล้วก็ศึกษากายกรรมอยู่อยู่ด้วยกายกรรมเช่นนั้นวจีกรรมเช่นนั้นตรงนี้นะกุศลธรรมทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นจากกายกรรมและวจีกรรมนั้นก็ก็ต้องพิจารณาตรงนั้นพอพูดถึงในเรื่องของวจีกรรมนี่นะขอยกเรื่องหนึ่งประกอบนิดหน่อยเรื่องวจีกรรมที่มันไม่จริงเนี่ยนะอาจจะยกตัวอย่างวจีกรรมแต่ว่าจะลองนึกนึกดูว่าจะ จะคง น, น่าจะพอจําได้บ้าแบบคร่าวๆก็แล้วกันคือคนคนหนึ่งใช่ไหมเป็นชายแก่คนหนึ่งก็ออกเดินมาจากหมู่บ้านหนึ่งพร้อมด้วยหอ่อผ้าอันนี้ดูว่าจีกรรมของคนเหล่านี้ดูนะไอ้ชายแก่คนเนี้ยมาแล้วก็มาเจอเจอนักเลงนักเลงสุราเนี่ยสี่ห้าคนเนี่ย น, ะนั่งอยู่พอมาเจอแล้วเนี่ยนักเลงสุรากันนึกชายแก่คนนี้ก็ไปนั่งดื่มเหล้าอยู่ พอไปนั่งดื me. ่มเหล้าเนี่ไอ so, ้ชายแกไอ้ชายแก่คนนั้นดื่มเหล้าอยู่พวกนักเลงสุรานักเลงเหล้านี่ก็บอกเอ้ยเดี๋ยวเราไปนั่งกินเหล้าไอ้ชายแก่คนนี้แล้วหาอุบายเนี่ยเอาของไอชายคนนี้แล้วก็ให้ชายคนนี้เป็นทาดเราให้ได้ก็เลยทํำยังไงรู้ไหมก็บอกเอ้ยเอาอย่างงี้บอกเดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องที่โกหกเนี่ยนะพูดในเรื่องที่โกหกแต่ถ้าใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้เนี่ย คนคนนั้นจะต้องตกเป็นทาสแล้วก็จะต้องมอบอสมบัติมอบทรัพย์อะไรต่างนี้ให้ถามชายแก่คนนั้นบอกเอาไหมกระิกาอย่างเงี้ยชายแก่คนนั้นก็บอกเอาแปลว่าทุกคนมีสิทธิ์เล่าเลยคนละเรื่องไอคนแรกก็เลยเริ่มเล่าขึ้นมาเขาก็บอกว่าเขาเองเนี่ยตอนสมัยอยู่ในท้องเนี่ยตอนสมัยที่อยู่ในท้องแม่เนี่ยตอนนั้นแม่เกิดแพ้ท้องขึ้นมาพอแพ้ท้องขึ้นมาแม่อยากจะกินโมฟิดไอโมฟิดในโลกสูงๆอันนี้มีโมฟิดอยู่ตัว น, นึงนะ แม่อยากจะกินมาผิดเขาเห็นใจแม่ก็ว่างั้นแม่ก็บอกโอ้ยลูกเราหน่าจะโตสักทีถ้าโตได้เราจะให้ขึ้นเบลไม่เอามาผิดไม่ให้กินดูงัเห็นใจแม่ก็เลยเดินออกมาจากท้องแม่พอเดินออกมาจากท้องแม่เบเสร็จแล้วเขาก็บอกเออเขาจะขึ้นบนนั้นมันไม่มีบันไดใช่ไหมเขาขึ้นต้นมาปิดไม่ได้ก็เลยจับขาตัวเองฟเอย่างยื่นมาเพื่อยื่นขึ้นบนต้นมาปิดนไปเบปเสร็จเขาก็เอามาผิดเนียกเขาหลงไม่ได้ตอนเนี้ย มันไม่มีบันไดพาดหลงทํำยังไงดีนะเนี่ยเเก็บมาฟิดได้หกสิบลูกลูกหนึ่งใหญ่มากใหญ่เกินตุ ม, มเลยนะสูงกว่าหัวแต่ลูกเขาเก็บได้หกสิบลูกเขาก็เลยวิ่งลงไปเออเขาก็เลยไปเอาบันไดามาเอาบันไดามาพาดแล้วเขาก็ลงได้ <c oughs> <c oughs> คำพูดแล้วตอนนี้ <c oughs> เมื่อได้มาปิดไปแล้ว <c oughs> เอาไปให้แม่แ <c oughs> ปลว่าแม่จะต้องนั่งอยู่บนนู้นบนชั้นที่สองของบ้านเลในการที่ตักมาฟิดกิน เฉพาะเปลือกมะฝิด เ, เนี่ยนะแกะเปลือกมะฝิดออกไปเนี่โหกองเต็มหมดเลยแล้วยังแจกจ่ายคนทั้งหมู่บ้านหนึ่งนี่หกสิบกว่าหลังคาเรือนกินมะฝิดกันเนี่ยไม่แทบกว่าจะหมดได้แกเปลือกออกมานี่กองเป็นภูเขาเหล่ากาห้อมล้อมบ้านทั้งหมู่บ้านเลยว่าไงเราถามไ้ชายแ ก, ก่คนนั้นนะนะแล้วทุกคนก็เล่าเรื่องในทํานองอย่างเนี้ถามไ้คนนั้นชายแก่คนนั้นบอกเชื่อไหม <S <S ชายแก่คนนั้นก็บอกว่าเป็นไปได้ คือเชื่อก็บอกแล้วแกก็เลยเล่าเรื่องของแกใช่ไหมว่าก่อนที่แกจะมาเนี่ยแกออกจะมีไร่อยู่หลายร้อยหลายพันไร่แกก็ปลูกไฟก็บอกทีนี้ไอ้ไฟของแกนมีอยู่ต้นหนึงมีอยู่ห้ากิ่งไอ้ห้ากิ่งเนี่ยมันไม่มีโรคหรอกมีมันมีมีโรคอยู่ปลูกอยู่กิ่งเดียวโรกมันมีโรกโรคเนี่ยมีอยู่ห้าพูโพูของไอ้ของไฟเน่ยมีอยู่ห้าพู ไอ้ น, นี่เนี่ยห้าฟูห้าพูโอ้โหแต่ละพูอย่างใหญ่เลยอะลูกอย่างใหญ่เลยว่างั้นไอ้ลูกป้ายไอ้เมล็ดไ อ, ไอไ้้ายตัวนี้ยทีนี้มันกําลังออกดอกออกอะไรด้วยแล้วป้า ย, ยแกก็จะเอื้อมมือไปจับไอพอจะเอื้อมมือไปจับไอ้พูของป้ายเนี้ยไอพ้พูของป้ายเนี้ยมันอะไรก็มันกลายเป็นคนว่าเงี้ยมันกลายเป็นคนเลยกลายเป็นลูกน้องแกเนี่ยแกก็บอกว่าแล้วมันวิ่งหนีแกมา วิ่งหนีขึ้นมาเนี่ยแกมาเห็นแล้วเนี่ยเพิ่งมาเห็นเนี่ยห้าคนนั่งอยู่เนี่ยแกก็ชี้ตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า่มเนี่ยเนี่ยก็ว่างั้นแกตามหามานี่ไอ้ทาสของแกคือเนี่ยว่างั้นไอ้ห้าคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้ยังไงมันลุกขึ้นค้านเนี่ยนี่ไอ้คาว่าเป็นไปไม่ได้มันเลยกลายเป็นว่าแพ้เนี่เพราะถ้าใครบอกว่าเป็นไปไม่ได้คนคนนั้นจะต้องตกเปนทาสรับใช้เขาก็เลย อาศัยคนแวดล้อมโดยก็ฟอ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลกันในที่สุดจริงๆก็คือว่าได้ได้เอห้าคนเนี่ยเป็นทาสไอคำพูดลักษณะเช่นนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่กล่าววาจาเช่นนี้ยกตัวอย่างเช่นว่าคําพูดใดๆก็แล้วแต่นะที่พูดโกหกแต่ตนเองได้ประโยชน์คําพูดชนิดนี้เนี่ยพระพุทธเจ้าแล้วก็ภาษาวกตลอดถึงบุคคลที่นับถือพระพุทธเจ้าไม่ควรพูด มันเยอะแยะไปหมดในคําพูดลักษณะที่พูดไปแล้วที่เราได้ประโยชน์เนี่ยใช่ไหมแต่คําพูดนั้นเป็นคําไม่จริงเป็นคําไม่จริงแล้วพูดไปก็เพื่อประโยชน์แกนตนใช่ไหมเอออย่างอีกอย่างนะถ้าจะยกตัวอย่างอีกที่จะเห็นอีกจุดหนึ่งก็คือว่าคําพูดบางอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยเหมือนกันกับการที่พูดคํานั้นแหะอย่างเขาจะเป็นประโยชน์แก ค, คนอื่นแต่แท้จริงจะเป็นประโยชน์แกเขาอย่างยกตัวอย่างเช่น คำพูดในลักษณะที่บอกว่าเนี่ยว่าั้นนะเพราะความรักเนะี่ยถึงได้ทําอย่างนี้ถึงได้พูดอย่างนี้อย่างนี้เป็นตนน้นนะนะคือคําพูดนั้นน่ยถ้าพูดไปแล้วเนี่ยเพื่อประโยชน์ตนแต่เมื่อพูดออกมาแล้วอ้างให้คนอื่นเน้นใจและมีเยอะเลยคําพูดลักษณะอย่งนั้นพระพุทธมรรมาสดาเนี่ยจะพูดคําพูดใดๆเนี่ยก็จะต้องพูดที่ว่าไม่ไม่โกหก และยกตัวอย่างนะบางทีอย่างอาจาอย่างกลุ่มพระเนี่ย ไ, ได้อย่างยกตัวอย่างอย่างพระป่วยก็อ้าวโหเจ็บป่วยนะเนี่ยโอ้โหถ้าได้ตรงนั้นตรงนี้มาก็พอจะอยู่ได้บ้างอันนี้เพราะว่าเห็น <c oughs> ไ, ไหมไม่ได้มีตรงนั้นตรงนี้มาเลยอย่างนี้เป็นตน้นเนะยลักษณะอย่างนี้โกหกเนะี่ยคำมันมีอยู่จริงแต่พูดให้มันเลย มันไม่ได้ป่วยมากขนาดที่จะต้องไปอาศัยเขาก็พูดในการที่เป็นอาศัยคนอื่นเขาถ้าในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นคำพูดที่แล้วก็เพื่อตนเองให้ได้ประโยชน์คือเสริมมันีมีเยอะไหมในสังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยวัจจิกรมที่เป็นอกุศลดูก่อนราหุนเธอปรารถนาจะทำกรรมใดด้วยใจแต่นี้ทางใจนะเธอพึงพิจารณาโนกรรมนั้นเสียก่อนว่าเราปรารถนาจะทากรรมใดด้วยใจโนกรรมของเรานี้ พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกขเป็นกรรไรมีทุกขเป็นวิบากรรมงง่อถ้าพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราปรารถนาทํากรรมใดด้วยใจมโนกรรมของเรานี้พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเพื่อเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศล มีทุกเป็นกําไรมีทุกเป็นวิบากดังนี้ไส้มโนกรรมเห็นปานนี้เธอไม่ควรทําโดยส่วนเดียวอันนี้กลุ่มมโนกรรมคือการโลภอยากได้ของเขาพยาบาทปองร้ายแล้วก็เห็นผิดนี่คือมโนกรรมนะกลุ่มในความโลภโลภอยากได้สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตอนเป็นอภิชาใช่ไหมทาบาปแล้วหรือได้เคยเป็นไหม เคยเป็นกันทั้งนั้นหลายๆคนถ้าสมัยก่อนยังไม่ได้ศึกษาพระธรรมนี่เรานั่งทําบาปทางใจกันเยอะนะกลุ่มดีโลภเลยนะโลภในกรณีที่อยากจะได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนด้วยจิตโลภทำนํามาเป็นของตนเรียบร้อยบางคนบอกไม่ได้ก็ขอไอคิดว่าเป็นของเราไอกลุ่มมีเยอะนะกลุ่มเนี้บอกยังไงยังไงก็ไม่ได้อยู่แล้วไปเคยเป็นน่ยนึกว่าเคยเป็นไปเห็นเออไอนี้ก็ น่าจะเป็นของเราเป็นของเราเป็นของเรากลับมาพิจารณาแล้วเลยสมมติว่าเป็นของเราซะจริงๆเลยแต่นี้มีนะในกลุ่มของพยาบาทเนี่ยหลายๆค น, นคิดอยู่นั่นแหละเขาทำเขาบอกว่าเขาทโยมก็งั้นเธเขาจะต้องวิบัติสักวันใดวันหนึ่งยอมคิดสาบแช่งเขาอยู่ตลอดเวลาให้เขาตายเจ็ดวัน8ปดวันแบนั้นนะแล้วก็บางทีบางกลุ่มหนักไปกว่านั้นนะ มีพริกมีเกลือเผากันเลวนยว่าไงนะให้ไม่เลยโบราณก็ทํากันดีจริงและสมัยนี้มีแปลกๆดีนะเออเนืๆๆ่องจากนั้นทางกายกรรมวิีกรรมโนกรรมครบเลยเขาเอารูปเอาหุ่นคนนั้นมาจําลองแ ล, แล้วก็แล้วแต่จะทํำยังไงปืนไปยิงก็ได้เอาไม้ไปทบก็ได้เอาของเหม็นๆเน่าๆไปปาใส่ก็ได้คือให้ทํำยังไงก็ได้ไปให้ระบายอะ่ะเขาให้ทํากันอย่างนี้เดี๋ยวเนี้ยว่าไง แต่ถ้าเธอพิจารณาเนะบอกว่าอากุศลกรรมที่เป็นมโนโทุจริตมีทุกเป็นกาไรมีทุกเป็นนิบากดังนี้ไสมโนกรรมเห็นปานี้เธอไม่ควรทำโดยส่วนเดียวกลุ่มนี้ที่น่ากลัวที่สุดคือมิจฉาทิฏฐินะมิจฉาทิฏฐิที่เกิดขึ้นในกระแสจิตเนี่ยโอ้โหมันคิดนะเนี่ยคิดในะเรื่องบาปบบบในเรื่องเข้าใจผิดพลาดในพระธรรมสอนเนี่ย แล้มีความเข้าใจผิดแล้วทางมโนกรรมเนี่ยคงคิดดูวันวันหนึนน่งคิดก็เข้าใจว่าตนเองทาถูกเป็นอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเธอพิจารณาอยู่พึงรู้อย่างนี้ว่าเราปรารถนาจะทํากรรมใดด้วยใจมโนกรรมของเรานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเพื่อไม่เบียดเบียนตนและเบื่อเบียนผู้อื่นมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบาก <c oughs> แม้มันจริงๆนะคิดอย่างนี้นะถ้าคิดดี คิดในเรื่องของการในคุณความดีทั้งหลายในในการเจริญกุศลทั้งหลายเป็นต้นเหล่านี้มีสุขเป็นกำไรเนี่ยแต่ไม่ชอบคิดนะไอ้กำไรแบบนี้ไม่ค่อยเอากันใช่มมีความสุขเนะเป็นกำไรอะ่ะก็แปลว่าในปัจจุบันนี้เรามีความสุขหรือความทุกข์มากบางคนเนอะความสุขมากไอ้ความสุขนะั้นันมาจากกุศลลกรรมนะและความทุกข์แหละมาจากอากุศลกรรมเหมนเ้ยเราก็เห็นกลุ่มอบายสัตว์ใช่ อบาบยาสัตว์เนี่ยเขาดีกว่าสัตว์นรกก็จริงแต่ยังแย่กว่าเปรตเงี้ยนะพิจารณาดูโอ้อยู่ใกล้ตัวเรามากอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นอบาบยาสัตว์มีสุขเป็นมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากนี่เขาไม่ได้มีสุขเป็นกําไรเลยนะว่าเงี้ยนะและเราล่ะมีทั้งสุขและมีทั้งทุกข์ใช่ไหมแล้วสุขหรือทุกข์มากกว่ากันก็ดูตรงนั้นก็แสดงให้เห็นชัดว่าเรานั้นจเจริญกุศลทางมนโนกรรม ถูกหรือผิดเนี่ยนะก็ดูตรงนั้นทีนี้ถ้ามีสุขเป็นกําไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้ไส้มนโนกรรมเห็นป่านนั้น <c oughs> เธอพึงทําเธอควรทําบอกอย่างนั้นนะควรจะทําท <c oughs> ก็เริ่มคิดไว้ก่อนนีนะว่าเออเรื่องแบบนี้ควรคิดเรื่องแบบนี้ไม่ควรคิดก็ให้ใ ห, ให้ให้ตึกเง <c oughs> ถ้าเรื่องโลภเอยเรื่องความยินดีความกําหนัดความพอใจความติดข้องทั้งหลายไม่ควรคิด ควรจะรอบรู้ละสิ่งนั้นเสียส่วนพยาบาทในการปรล o n ร้ายคิดเบียดเบียนเขาเนี่ยความคิดในลักษณะอย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรคิดถ้าคิดไปแล้วก็ให้คิดว่าเออเราได้ทําบาปไปแล้วแล้วก็บอต่อไปจะสํารวมระวังหรือความเห็นผิดในเรื่องของบาปบุญคุณโทษเป็นต้นเนี่ยนะพบนี้พบหน้าเป็นต้นแล้วก็บอกเออเรื่องแบบนี้เราอย่าไปคิด อย่าไปหาเหตุผลในเรื่องที่เราไม่ได้มียัญอภิญญาใดๆที่ไปอย่างรู้เนะี่ยคิดไปคิดมานะ่ะได้อย่างเดียวคือความฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละมันไม่ได้มากไปกว่านะั้นตรงนั้นนะเธอพิจารณาอย่างนั้นแล้วเนี่ยก็เธอควรทําดูก่อนราหุลแม้เธอกําลังทํากรรมใดด้วยใจเธอพิจารณาโนกรรมนั่นแหละว่าถ้ากําลังทํานะ เราทําอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยใจมนโนกรรมนี้ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดบินตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นทั้งตนและผู้อื่นเนี่ยนะมนโนกรรมนี้เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกรราําไรมีทุกข์เป็นวิบากกําลังน้อยคิดไว้ก่อนแนี่เอ็นนิติกำลังคิดอยู่เนี่ยมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากกําลังน้อยคิดอย่างนั้นนะนะถ้าคิดอย่างนี้แล้วถ้าเธอพิจารณาอยู่ก็รู้เลยว่าเราทําอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยใจมนโนกรรมของเรานี้ ย่อมเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่น ng, บ้างเบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นบ้างมโนกรรมนี้เป็นอกุศนมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นวิบากดังนี้ไซม์เธอพึงเลิกให้เลิกมโนกรรมเห็นปานนั้นคําว่าเลิกเนี่ยทั้ง2องทั้ทง3ทางนี้นะเลิกวจีกรรมเห็นปานนั้นเลิกมโนกรรมเห็นปานนั้นเลิกกายกรรมเห็นปานนั้นนวิธีเลิกท่านยังไงพี่กลับให้พิกกลับ หรืออย่าไปตรึกหรืออย่าไปจมอยู่กับความคิดในลักษณะเช่นนั้นให้ออกให้ทิ้งวิธีคิดอย่างนั้นเสียถ้าความคิดนั้นจะมังมีอิทธิพลหรือทำให้จิตของเรานะั้นะเกิดทำให้เสียหายท่านบอกว่าอย่างนี้ก็บอกว่าบา ป, ปรกรรมทั้งหลายเนี่ยนะบา ป, ปรกรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากการที่บอกว่าถ้าบาปอากุศลและทำเกิดขึ้นมาแล้วพึงกลับพึงกลับ ถึงอย่าให้เกิดขึ้นคือตรวจดูตรวจแล้วตรวจออกอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเนีนะ่ยมีกระจกมีมีแว่นเนี่ยเอาละส่องเนี่ยส่องให้ละเอียดส่องดูเง า, าหน้าเนี่ส่องให้ละเอียดตรวจดูพิจารณาแล้วแล้วเราเราแปลว่าไม่เป็นโทษแล้วอย่างนี้อนี่ยปิติจะเกิดโอ้ยหน้าเราผ่องใสไม่มีไม่มีแผลไม่มีสิ่งที่จะทําให้ น้าเราเป็นโทษอย่างนี้ปีติก็เกิดใช่ไหมชื่นใจนจิตก็เหมือนกันการกระทําทางจิตทางมโนกรรมการกระทําทางวจีกรรมการกระทําทางกายกรรมตึกพิจารณาถ้าไม่มีโทษเนี่ยปีติก็จะเกิดแต่ถ้ามีโทษแล้วนี้เดี๋ยวความเสางมอง <S <S ถ้าหาเป็นมโนกรรมที่เป็นอกุศลมีทุกข์เป็นกําไรมีทุกข์เป็นทีบาปเธอพึงเลิกมโนกรรมเห็นปานนั้น เธอถ้าเธอพิจารณาอยู่ยพึงรู้อย่างนี้ว่าเราทําอยู่ซึ่งกรรมใดด้วยใจมนโนกรรมของเรานี้ย่อมไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนเพื่อไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนทั้งตนและผู้อื่นมโนกรรมนี้เป็นกุศลมีสุขเป็นกำไรมีสุขเป็นวิบากดังนี้เธอพึงเพิ่มมโนกรรมเห็นปานนั้นอันนี้ให้ตรึกเพิ่มเคยคิดกุศลได้ยาวๆคิดแบบยาวๆนานๆได้อะสามารถคิดได้ไหมคิดในเรื่องของกุศลเนี่ยเอาอย่างไง ทานกุศลอย่างดอกไม้ที bueno. ่ถวายพระให้สามารถคิดได้เป็นชั่วโมงเนี่ยโมโหโขวบเช้าอคุสเลมอโมโหกุสเลม पानाति पातो ख ोวัชกุศลัมป प ाาाิปาตาเวระมานีกุ म ลัมอ न ินाาท โो व च ช छ ุศลัมอดินนาดाนाเวรมันยูกุศ कामेशु म ि च ् छ ा च ा र ो खो व च ् छ अकुसलम कामेशु मिच्छाचारा वेरमनी कुसलम มูซาบาดอขวัชกุสลลัมมูาบาดอเวรมันกุสล बिसुना वाचा खोबच्छ अकुसलम बिसुना य वाचाया बेरमनी कुसलम फ र ु स ा वाचा खोबच्छ अकुसलम फ र ु स ा वाचा ये वेरमनी संपपलापों खोबच्चा अकुसलम संपपलापा व े र म ा न ी कुसलम अ भ ि छ ा र खो बच्चा अकुसलम अ न भ ि ड ् जा कुसलम व ् य ा प ा दो खो बच्चा अकुसलम अ व ् य ा प ा दो कुसलम आदिति ख ो व च ् छ अकुसलम समादिति ् म ् कुसलम इति ख ो व च ् छ त स ध म म ा k u s a l a dasa dhamma kusala.